ถ้าเดินยืนเป็นต้นเนี่ยบรรลุทาได้แล้วที่เราเดินยืนมาตลอดชีวิตเนี่ยทำไมเราจึงไม่บรรลุธรรมตรงนี้ไงเป็นข้อบวงบอกว่าถ้าเดินถูกจริงๆเนี่ยเจ็ดปีบรรลุใช่ไหมเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันไงอันนี้สงองการเจริญสติปัฏฐานเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันถ้าเดินยืนนั่งนอนถูกจริงเนี่ยป่านนี้บรรลุกันหมดแล้วเนี่ย อันนี้บ่งบอกไหมว่าเพราะเราไม่มีข้อมูลที่ถูก mm hmm. ก็เราเดินกันมาเกินเจ็ดปีไหม mm hmm. เพราะอา น, นิสงส์การเจริญสติปัฏฐานนะ่ะเจดปีได้บรรลุอนาคาหรือเป็นพระอรหันต์นะเราไปดูที่ท้ายของสติปัฏฐานสูตรในสูตรที่สิบของมัชฌิมานิกายมุนโบนาตนะ์เนี่ยไปดูเลย mm hmm. ถ้าเดินถูกจริงๆนั่งถูกจริงๆนอนถูกเนะี่ยเจ็ดปีก็บรรลุแล้ว น, นี่บ่งบอกเลยว่าข้อมูลเราไม่แข็งแรงแต่เราไปเข้าใจผิด คิดว่ามันมันถูกแล้วไงถ้ามันถูกแล้วมัต้องบรรู้สิใช่ไหมอันนี้แสดงให้เห็นชัดก็เพราะเราเดินไม่เป็นนั่นเองไม่ใช่ว่าเดินไม่เป็นนี่มาโกรธใครเดินเลี้ยงโลกเพราอขนาดนี้ <c oughs> แลยพระามาบอกว่าเดินไม่เป็นในะยุ่งเลย <c oughs> ใช่ไหมค่ะอาจารย์เจ้าค่ะค่ะแล้วถ้าที่เราเดินยืนมาตลอดชีวิตเนี่ยยังไม่บรรลุธรรมกราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะ แล้วการเดินการยืนในการปฏิบัติธรรมสิ่งที่ควรระมัดระวังมีอะไรบ้างความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างและข้อผิดพลาดที่นักปฏิบัติมือใหม่มักผิดพลาดกับการปฏิบัติมีอะไรบ้างเจ้าคะ่ะอามายังไม่แนะนําก่อนเลยเนะี่ยว่าให้ไปเดินตามในยะของคัตชันโตวาคชตามิติประชานณติเนี่ย เมื่อเดินก็รู้ชัดบัดนี้เราเดินก่อนเราเดินอยู่เนี่ยนะเอางี้ดีไหมว่าสติปัฏฐานสูตรที่เคยบรรยายไว้ในะหลายท่านที่บรรยายถูกก็พอมีไปฟังสูตรนี้ให้จบก่อนดีไหมใช่ไหมถ้าเราจะต้องการจะเดินสติปัฏฐานเต็มรูปแบบแล้วครบวงจรจริงๆไยมีพระที่ท่านบรรยายตามในย่าของพระไตรปิฎกนั้มีอยู่นะ มีอยู่ฟังให้เข้าใจแล้วเวลาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะได้มีข้อมูลแล้วก็จะชัดเจนถ้าอย่างนี้ก็ไม่ลุ่มหลงใช่ไหมไม่ลุ่มหลงทีนี้ถ้ายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยความเข้าใจที่อาจจะเกิดในการปฏิบัติในการบิดพลาดเนี่ยถ้าถามบอกว่าเป็นนักปฏิบัติมือใหม่ใช่ไหมเนี่ย ไม่บอกพูดเงี่ยวว่าเอามาไม่ใช่ไม่อยากใช้คําว่าเป็นนักปฏิบัติกันเลยเลยนะไม่ไม่เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติเลยเนะี่ยเพราะเพราะว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยการที่เราการที่เราการที่เดินเนี่ยเนี่ยได้เป้าหมายการเดินเขาบอกว่าอะไรนะกําจัดอภิชาและโทมานาทใช่ไหมในโลกใช่ไหม แล้วแล้วเดยข้อแท้จริงที่กำลังเดินอยู่เนะี่ยเรากลับให้โลภะเนี่ยเป็นตัวผลักดันทาให้เราเดินเอาสิทุกวันนี้เราก็เดินกันแบบเนี้ยเช่นเราจะเดินไปซื้ออาหารกินตอนนั้นมันเกิดความอยากจะกินอาหารขึ้นมาโลภขึ้นมาใช่ไหมหรืเดินไปทำงานทั้งหลายความโลภก็ผลักดันเราตลอดเวลาแล้วเราก็เดินกันไปด้วยความโลภอย่างนั้นจะเรียกว่านักปฏิบัติไหมก็ไม่เรียกอีก หรือบางคราวไม่พอใจด้วยในขณะที่เดินก็โทสะอีกอภิชาและโทมนัทมันก็เป็นปัจจัยผลักดันทำให้อียาบทเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนอยู่ทั้งวี่ทั้งวันอย่างเงี้ยอย่างงี้จะไปเรียกว่านักปฏิบัติได้ไหมเนี่ยเอามาใช้คำว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามที่กิเลสจะสั่งนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อขจัดอภิชาและโทมนัทอะไรเลยใช่ไหม แล้วแต่กิเลสจะบงการด้ยทั้งไปถ้าพูดกันไม่รู้ชัดว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสเนี่ยเพราะกิเลสสั่งให้เดินก็เดินเพราะกิเลสบอกว่าโอ้เนี่ยตอนนี้ร้อนแล้วอยากจะอาบน้ําเลยเกินก็รีบตาลีตาเหลือกไปแล้วไปอาบน้ำโอ้ตอนนี้หิวเลยเกินโอ้หิวไะเครียดเลยเกินวันนี้เครียดเลยเกินอาบน้ําสบายก็รีบตาลีตาเหลือกไปอาบน้ําแล้วถามว่าชีวิตจริงๆเป็นแบบนี้ไหม ถ้าอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าปฏิบัติเราก็เรียกว่าธาตุของกิเลสแล้วแต่กิเลสมันจะบอกถ้ากิเลสมันต้องการให้ทําอะไรแล้วก็ไปทําตามใจเขาเสียเมื่อทําตามใจเขาไม่ได้เขาก็ดุเขาก็ด่าเอาแล้วก็บอกว่าอย่าเลยข อ, ล อ, อร้องเถิดเราก็พยายามทําตามใจทุกอย่างให้เห็นใจเราบ้างเถอะแล้วก็งอนงอกิเลสกันอยู่ตลอดเวลาด้ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเ้ายังไม่เรียกว่านะปฏิบัติมือใหม่อะไรเลยนะ ถ้าเป็นนักปฏิบัติมือใหม่จริงๆเนี่ยนะก็เข้ามาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็นี้อ่ะโสดลงสดับตั้งจิตรับรู้น้อมที่จะฟังธรรมว่าพระาศาสดาจะสอนว่าอยังไงใช่ไหมเพราะมาฟังนี้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ด้วยว่ากรรมฐานใดๆที่จะเหมาะสมกับตนเอง ก็เริ่มฝึกหาตั้งแต่ทานต้านสีดันเด็กพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปถ้าจะต้องการจะพัฒนาไปสู่สติปัฏฐานทั้งหลายเหล่าเนี่ยนะก็ฟังคําสอนให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ไปวิจัยเข้าอิควอในการยืนเดินและนั่งนอนเป็นต้นถ้าอย่างงี้น่าจะดีกว่ามั้งเพราะถ้าหากมานั่งวิจัยว่ายืนยังไงเดินยังไงนั่งยังไงนอนยังไงเอามากลัวมันจะเข้าไปลึกไปเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นเอ๊ะข้อมูล ข้อมูลข้างบนก็ยังไม่ค่อยเบื้องต้นก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมเจาะเข้าไปลึกๆเข้าอีกก็ก็จะมีแต่มาพูดอยู่คนเดียวหรือเปล่ากลัวประเด็นตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้นี่มีเพราะจริงๆการการสอนในเรื่องของยาบทบบเนี่ยเราต้องเรียงมาตามลำดับเลยใช่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่นั่นแหละคัดชั้นโตวาคชามิติประชานาติเอาพุทธพจน์มาตั้งปุ๊บแล้วอัตถกถาดีกามาขยาย แล้วก็ไปเชื่อมโยงในอุเทียร์ังไงในนิเทียร์ังไงใช่ไหมในคาสอนของพระเจ้า s a h a s r a n a m g a t h a